นักมูตัจจะเขาวัตอะระหัตสัมมาสัมปุทัจจะนมตัะวตอะระหตสัมมาสัมุทัะนมตัะวตอะระหตสัมมาสัมพุทัจจะ สีเรนสุขติงยันติสีเรนโูคาสัมปธาสีเรนนิพุติงยันติตัตมะสีรังวสุทธะเจติอ่ า, วาพวกกุฏาบดิสาททั้งหลายมีทั้ง บรรพจิตและพรวาดซึ่งเป็นผู้งี่จิตใจอันน้อมไปสู่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นการเป็นสมัยอันหนึ่งซึ่งทุกคนเราจะย่อมผ่านไปผ่านไป ที่พระพุทธเจ้าตัดตัดไว้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้เป็นวาทะเป็นคำตักเตือนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นคำอันที่พระองค์เน้นหนักไปในทางที่ให้พวกเราทั้งหลายดูตัวของตัวเอง นี่แค่นั้นพุทธบริษัทบางกลุ่มบางเหล่าก็ยังปล่อยให้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปไม่รู้จักว่าเราทําอะไรกันอยู่ในวันนี้ในวันคงนี้ป ร, รือ น, นี้หรือวันที่มันล่วงมาแล้วนั่นโดยไม่มีสติกํำนดการอืมปล่อยให้วันคืนมันล่วงไปล่วงไปว่า เรามีความดีหรือไม่เรามีความชั่วหรือไม่ <c oughs> ในเวลานี้เราตั้งใจดีหรือไม่หรือในเวลานี้เราตั้งใจผิดอยู่หรือไม่หรือในเวลานี้เรามีคนงามความดีอยู่หรือไม่อย่างนี้หาบุคคลที่จะมีความรู้สึกนึกคิดอยู่อย่างนี้ในตัวโตนของเราหนันกว่าน้อยฉะนั้นวันนี้ ยังเป็นวันอันหนึ่งซึ่งโบราณอาจารย์ท่านว่าอ่าเป็นวันอืขึ้นปีใหม่หรือสังกาศสังขารล่วงไปคือเดือนห้านี่เองอ่ะนี่มันล่วงไปโบราณอาจารย์เราถือวันนี่มันรอบปีอืมันรอบปี อย่างไรอันนี้คนไม่ต้องสนใจมันละว่ามันรอบอยู่วันอาทิตวันจันทร์วันคันวันพุธวันประหัสวันสุกวันเสาร์จะตั้งต้นวันไหนก็ได้อืมจะตั้งต้นแต่วันจันทร์ไปก็ได้จะตั้งต้นแต่วันศุกร์ไปก็ได้คือมันนับรอบไปรอบไปเท่านั้นแหละมันก็มารอบปีหนึ่งติดสองเดือนมันเป็นปีหนึ่งขนาดจะตั้งแต่ที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันผิดสมูทเทืม ถึงในรูปีเช่นนี้การที่ล่วงมาที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมานี่ก็เดี๋ยว่าจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะมีความซื่อสัตย์สุดจริตอือยู่ร่วมกันเป็นหมู่มวดมีความสุขมีความสบายเพราะมีศีลธรรมสมัยอาตมายังเป็นเด็ก กำ น, นันคนในบ้านคนแก่ทั้งหลายถึงกรุดสงการที่เรียกว่าสังการสังขารมันร่วงไปรวมกลุ่มกันโน่นไปอำเภอไปศาลอำเภอเน่ะเขาเรียกว่าไปถือน้ำกันไปกินน้ำกันไปสบานน้ำกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างในอำเภอนี้จังหวัดนี้ตำบล น, นี้ถึงแม้จะอยู่คนละบ้าน คนหัวใจคนจริงแต่ว่าให้มีความเห็นเป็นกลุ่มอันเดียวกันเพื่อให้มีความสุขตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนั่นเองคือไปสบานตัวไปตั้งสัตว์ให้มีความสุขชื่อสัตว์ต่อเจ้านายต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างนี้อืมให้กลัวให้วาดให้สะดุง้งให้อายอยู่ทุกคนทุกคนเนี่ยนี่ บ้านเมืองของเรานั่นอยู่เย็นเป็นสู่เพราะศีลธรรมเพราะการประพฤติกายประพฤติวาจาประพฤติใจดีทุกคนรวมกลุ่มกันถ้าหากคนเราไม่มีความซื่อสัตย์ดูมันตลอดเหมือนถุงวันเนี่ยเราก็คงจะเห็นเนะ่ยบ้านเดียวกันก่อทะเลาะ ก, กันพ่อแม่อันเดียวกันก่อทะเลาะ ก, กันประเทศเดียวกันก่อทะเลาะ ก, กันนี่เพราะความหลง อันนี้ไม่จะให้โทษใครเทิงนั้นไหนความหลงของคนเราเท่านั้นแหละพี่กันน้องกันกดตีกั น, กนลบกันฆ่ากันโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้นี่ก็เพราะอะไรมันเข้าใจผิดคนจะเข้าใจผิดก็พอเรียกว่าไม่คำหนึงถึงศีรธรรมนั่นเองที่นั่นพระบรมครูของเราท่านจึงตรัสว่าเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่คือเป็นพุทธศาสตร์ คือเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าศาสตร์ทั้งหลายไอศาสตร์ที่พวกเราทั้งหลายเรียนมาในโลกนี้กลุ่มในชนในโลกเหล่านี้จะเป็นถึงปริญญาจบเพราเตอร์อะไรก็ตามทีเถอะอันนี้เป็นศาสตร์ที่ไม่จบเป็นศาสตร์ที่ไม่สิ้นสุดเป็นศาสตร์ที่ต่อตายเป็นศาสตร์ที่มีความอยากเป็นศาสตร์ที่มีความยึดเป็นศาสตร์ที่ประกอบทุกไหว เท่านั้นเองนีไม่ปล่อยทุกมีความรู้อย่างนั้นก็เรียวกว่าศาสตร์แต่ไม่เหมือนศาสตร์ของพระพุทธเจ้าพุทธศาสตรน์นี้ถ้ารู้แล้วต้องรู้ปล่อยรู้วางรู้เลิกมีโทษก็เห็นโทษไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยรู้ปล่อยรู้วางรู้ละ อันนี้เป็นล้วนเป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์ทั้งหลายที่จะเป็นไปในธรรมนองนี้ที่พระอุทธองค์ศาสไวแล้วกอดีมันเป็นสัจธรรมเป็นศาสตร์สสตรที่ถูกต้องทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าที่ยังไม่ตัดไว้เพราะว่ามันยังไม่มาถึงกับพวกเรานั้นมันก็เป็นศาสตร์อย่างนี้ าศาตรอย่างนี้มันก็ไม่เปลี่ยนเป็นาศาสตร์อย่างอื่นมันก็เปลี่ยนเป็นาศาสตร์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นว่าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างนี้เป็นต้นาศาสตร์อันนี้เป็นาศาสตร์ที่ตายตัวอเป็นาศาสตร์ที่ไม่ลมเลกิกเป็นาศาตร์ที่แน่นอน เป็นศาสตร์ที่มีกุเกณฑ์อันแน่นอนเป็นความรู้ซึ่งออกมาจากปัญญาอันบริสุทธิ์จึงเป็นของแน่นอนทันริงว่าเป็นสัจธรรมแต่ก็มีคนบางกลุ่มเป็นกลุ่มนั่นก็เรียกว่าทำดีได้ดีไม่แน่นอนพาะว่าฉันทำดีอยู่ทำไมไม่มได้ดี ทำชั่วได่ดีกว่ามีมีเยอะแยะไปทำดีรต่ชั่วก็เยอะอย่างนี้อันนี้ก็จริงแตวว่ามันจริงเป็นสัจจะว่าความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเห็นต้องเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วพุทธศาสนานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะคือของจริงนั่นแหละท่านตัดรู้ความจริงมันเป็นความจริงแน่นอนมันจะเป็นไปยังไงก็ช่างมันเถอะไอ้ความจริงมันไม่มันก็เป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาอไอ้ที่มาเกิดไม่เป็นความจริงนั่นเพราะคนเข้าใจผิดเช่นว่านายก เขาจับนายกอไปติตตารางไอ้ความจริงนายกรนี่ไม่ได้ขโมยเขาเลยแค่ว่าพยานไม่พอนะก็เอาคนอื่นมาเป็นพยานหลายหลายคนนายกอมันคนคนเดียวพยานท่านอยู่ตรงไหนใจของข่านะ่ะเป็นพยานนี่อันนี้มันสู้เข้าไม่ได้เห็นไหมถึงสู้เขาไม่ได้ขนาดนั่นเป็นต้นนายกอถึงยอมติดตารางติดตารางไปก็ติดตารางโดยทางที่ถูกต้องมันติดตแต่กายเท่านั้นในใจมันไม่ติดหรอก ก็มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้คนเราก็ถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็มีความน้อยใจพระองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะน้อยใจแหละถ้ามันเป็นเช่นนี้วันนี้เราไม่กระทาอย่างนี้มันมีโทษอย่างนั้นท่านก็มันเป็นเพราะอะไรท่านโยนกับกรรมซะมัน เ, เ, เป็นเพราะกรรมวันนี้เราไม่ได้ทาก็ทำวันนี้ เมื่อวานนี้เราไม่ได้ทำโง่ทำเมื่อก่อนไปนั่นมันทําแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราก็คลุมมันลงไปซะสิ่งท่างวงไม่มีเหตุมันไม่เกิดทำมันเกิดเพราะเหตุอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เนืองนิดชีวิตของเราจะราบรื่นอย่างนั้นจึงเชื่อหาคนที่เชื่อในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันยาก อย่างอัตามาพาญาติโยมมาพาสานุษิธมาสร้างวัดป่าเนี่ยได้เป็นเวลานานประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วทุกคนก็คงจะ ร, รู้สภาพที่วัดน้องปะคงมันเป็นยังไงมานะเป็นมาที่ผ่านพ้นอะไรมาเนี่ยทุกสิ่งทุกประการอดทนก็เพราะว่า ม, มีความเห็นจริงแน่นอนไม่กลัวอืม เพราะว่าตายมันก็ตายเถอะเป็นมันก็เป็นเพราเราทําดีมาแล้วมันเชื่อใจของเจ้าของฉะนั้นพระบรมศาสด า, า, าของเรานัน่นท่านจะค้นคว้าดูเจ้าของฝึกเจ้าของอย่าไปฝึกคนอื่นเขาให้ดูตัวของเรานี่เองเขาว่าดีนั่นไม่เป็นประมาณเขาว่าไม่ดีนั่นก็ไม่เป็นประมาณอย่าไปพึ่งดีใจมันอย่าไปพึ่งเสียใจมันให้น้อมเข้ามาค้นในใจของเรา ที่เขาว่าเราไม่ดีนั่นมันไม่ดีที่ตรงไหนเนี่ย <Yeah. S 1> ที่ตรงไหนมันไม่ดีมีไหม <Yeah. S 1> ถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันไม่ดีแล้วเราก็เลิกมันเสียอ <Yeah. S 1> อย่าไปโทษคนอื่นครับ <Yeah. S 1> ถ้าเห็นว่าตรงนั้นมันดีอยู่ <Yeah. S 1> เขาว่าไม่ดี <Yeah. S 1> ก็หาเขาจะ <Yeah. S 1> เขาพูดไม่ถูกรับเรามันไม่ได้ถูกตรงนั้นแะ่ะเอออ่ะ ให้เราเชื่อตัวของเราอย่างนี้เขาว่าเราดีอย่าไปเพลินกับเขาเ้าว่าเราไม่ดีอย่าไปทุกกับเขาอันนัน้นเป็นเรื่องของคนเขาพูดไอ้เรื่องความจริงมันอยู่กับเราเราทำอย่างนั้นจริงไหมเราก็ททำอย่างนั้นจริงไหมถ้าเราทำอย่างนั้นจริงเขาพูดเมื่อก็เมื่อก็เขาพูดมันก็ถูกความเขาแล้ว ถ้าถูกความเขาแล้วก็อย่าไปโทษเขาเลยมันถูกแล้วก็ให้เขาจ้ะถ้าเขาว่าเราทําอย่างนั้นเราไม่ทําอะเขาก็พูดผิดก็คิดก็ให้เขาเอาแจ๊กเขาพูดไม่ถูกเราไปเอาเลยกับเขาแล้อย่างนี้เราไม่มีทางผิดหละจิตใจเราก็ปลื้มใจอยู่ในการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่ท่านเรียกก็สีเรณสุขติยันติสีเรณโคขสัมปทาสีเรณ น, นิพุติยันติ ตัดสมาสีรังนิสโวทะเยให้เราคำนึงดูเถอะว่าศีลห้าประการนี้มันเป็นศีลของมนุษย์แท้ๆทุกคนเราเป็นค า, าวาะตัวดีในกลุ่มพุทธบริษัทนี่เคยตั้งใจไหมว่าเราจะพยายามรักษาศีลห้าให้สมบูรณ์เคยมีไหมมีใครเคยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยให้เราคิดอย่างนี้อันนี้คือความดีคือความจริงบางคนอาจจะตอบว่าผมทาไม่ได้ครับ โลกเขาพาตาอย่างนั้นโลกเขาพาเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นไปนตามโลกเขาเนี่ยพวกกลุ่มอตมาทางพิจารณาและหมายทางมีความสุขนั่นน่ะไม่เคยมีใครสนใจนอกจากคนแ ก, แกแ่ๆเท่าเท่าเคขะขะอันนี้พูดไม่เรื่องกับเขาเป็นคนโบราณที่ทำการรักษาศีนห์คนสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรซะแล้วละ่ะอย่างนี้ฉะนั้นบ้านเมืองของเราจึงมีความเดือดร้อนขึ้น อย่างไอท่อนไฟทานไฟเนี่ยเราเข้าใจว่ามันไม่ร้อนแต่มันร้อนอยู่ถ้าเราไปจับเข้ามันจะร้อนหรือมันจะเย็นมันก็ร้อนอย่างเก่ามันนั่นแหละเพราะทว่ามันไม่ร้อนเน่ยพอเราเข้าใจว่ามันไม่ร้อนแต่ความจริงเนี่ยมันร้อนอยู่อย่างนั้นประชาชนเราทนายจึงเดือดร้อนทุกประการทุกวันนี่ดูเหอะดูครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ ดูพ่อแม่กับลูกเจ้านายกับราษฎรทวันเนี่ยไม่ค่อยไปร่วยกันเนาะเพราะอะไรกันก็ไม่รู้เพราะมันขาดสีรธรรมนี่นสีเลนะสุขติงยันติมันไม่มีความสุขเพราะศีล น, นี่เองไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุสรมมมสจริตอันนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้มันก็ร้อนถ้าร้อนมันก็เป็นไฟ เป็นไฟมันก็ร้อนร้อนมันก็เป็นนรกเป็นนรกคนไปทำอยู่ที่สิ่งที่มันผิดมันก็เป็นสัตวน์นรกสัตว์นรกมันก็ร้อนนี่ก็เรียกว่าเราตกนรกทางเป็นกันนั่นเองทุกวันนี้อาตมาเคยพิิจพิจารณาแล้วว่าไปเทศที่ไหนไปฟังธรรมที่ไหนเป็นบรรยายที่ไหนนั่นไม่เคยเห็นว่า ในสายตาสายใจมองดูในกลุ่มชนเน่ไม่เคยคิดว่าในกลุ่มนี้ตั้งร้อยคนพันคนจะจะพยายามรักษาธรรมะอันนี้ให้ดีแท้จริงเนี่ยสักสี่ห้าคนเนี่ยยิ่งเป็นในชุมนมชนใหญ่ๆ น, นะปเทศเทือเทศออย่างเงี้ยไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินฉะนั้นอาตมาจึงไม่ค่อยไปในกลุ่มชนใหญ่ๆไม่อยากจะไปไปทำไมไม่เกิดประโยชน์ ไปถ้าพระก็เทศโยมก็คุยกันวุ่นวายสารพัดอย่างไอคนกินเหล้าก็กินกันคนเล่นอะไรก็เล่ น, นต่างๆนะีนะแต่ทำไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าจะไปทําเป็นอะไรมันเสียเวลาเราเ อ, อ, อีกไม่กี่วันแล้วก็จะตายเถะนะมันจะไปเล่นกน็คนที่ไม่รู้เรื่องเนะี่ยอย่างนี้นี่ฉะนั้นไปที่ไหนญาติโยมคงจะรู้สึกว่าอืม อาตมามันเป็นพระยังไงก็ไม่รู้แต่เขามานีมนก็น่าไปนะไปโปรดอีฉันด้วยไปโปรดเราไปเราไม่ใช่ไปโปรด เ, เราไปโปรดใช่ด้วยกลับมาไม่มีรักมันจะมีกำไรมันขาดทุนทั้งนั้น อ, <า>อย่างในกลุ่มชนหมู่หนึ่งใกลบางคนกำว่าวัดนุ่งผ้าโพลก็มีความดีใจ อยากให้ญาติพี่น้องได้ยินได้ฟังด้วยทำบุญบ้านนิมนต์ไปเอาพระไปแย่ทางนั้นน่ะเอาขี้เล่ามหาพระศาสนวุ่นไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะมานั่งอยู่วัดประพงศ์เราก็ยังเกิดประโยชน์ดีกว่าที่จะไปเสียค่ารถเสียค่าน้ำมันอะไรหุ่นวายอย่างนั้นญาติโยมเราทั้งหลายเนี่ยให้พิจารณาให้มันดีอืม อาตมาจึงยกอามวยอยู่ในกลุ่มเล็กๆพูดกันใครที่มีศรัทธาเข้ามาพูดกันว่าการพูดการดูเรื่องง่ายๆในกลุ่มหนึ่งถึงพันคนนะเรามีคนเป็นคนท่าห้าชีพคนบวยยังคุ่มตัวมันแต่แล้วนี่มันเป็นไปอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมั น, นดําเนินไปได้อย่างนี้เมื่อเราทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเราทําไปทําไปดูผลงานแล้วไม่มีอะไรเลยแลาจะมีใจทํางานหรือเปล่ากต่ไม่รู้นี่ ไม่มีใจทํางานตอนพ่อเรามันยังโง่อยู่ยังไม่ฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าเช่นาเราไปไปทํานาสิวันนี้ดํานาไปเหอะดําไปกระทั่งวันก็ทั้งคืนดําไปสามวันสีวันเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งมาถอนไปตามหลังอ่ะอวันนี้เราดำไปไอ้พวกนี้มันก็มาถอนทิ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใครจะทําไงเนี่พวกนี้จะดําต่อไปอีกเขาก็มาถอนอีกเรื่อยเื่อยจะทำไง มันเกิดประโยชน์หรือเปล่าอย่างนี้เรามองดูข้างหลังแล้มันถอนทิ้งหมดจ ะ, จะทําไปอะไรทําเชิงหลายเรี่องแต่ทาไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าทำทำไม่ต้องทาแล้วมันเกิดประโยชน์อันนี้คือมันการนั่นแหละเสียเร น, นะสุขกจริงยันติมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีสุขอย่างเนี้ถ้าจะพูดที่มีศีลมีธรรมนี่กลัวกลัวจ้ะกลัวอย่างนี้เป็นต้น ในกลุ่มทั้งหลายมันหันหน้าเขาอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นภูมิสินธรรมทุกวันนี้ขอเป็นของอยู่ในยากเป็นของอยู่เรื่อยลำบากเหมือนกันเราทั้งหลายคนมันการฉันฉนั้นทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้ า, ากับมีใครมีบุญบา ร, รมีจริงๆมีศรัทธาจริงๆจึงจะมีความคิดยิ่งจะมีปัญญาปรีกตัวออกมาปฏิบัติธรรมะได้ดีที่สุดแบบนี้มันเป็นใจอย่างนั้น ชีไดโพกัสัมปทาโพคะทั้งหลายของเรานั่นมันเกิดมาจากศีลอืโพคะสมบัติทั้งหลายจากขู่สมบัติโสตสมบัติคานาสมบัติชิวหาสมบัติอืมกายสมบัติมโนสมบัติสมบัติทั้งหลายที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นสมบัติอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสมบัติทั้งหลายเรานี่ไม่บริบูรณ์จ้ะ มีแขนเสียเสียมีตาเสียมีหูเสียอวัยวะอะไรเสียเป็นซะไมสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคือศินไม่บริโภคะในศินไม่มีนั่นมันเป็นซะอย่างนี้เรามองเห็นง่ายท้งตาเราก็มองเห็นทางใจเราก็พิจารณาเห็นได้อย่างนี้มันเป็นซะอย่างนั้นหรือโภคะสัมปทาอืมโภคะทั้งหลายเหล่านี้เราจะมองเห็นแต่ของทางนอก เห็นแต่สมบัติเงินทองต่างๆตาเรานี่ไม่มองเห็นหูเราเนี่ไม่มองเห็นจมูกเรานี่ไม่มองเห็นตายเรานี่เราไม่มองกันดูมันเป็นยังไงอวัยวะทั้งหลายเหล่านี้ไม่สมบูรณ์สมบัติภายนอกจะเกิดมาจากไหนจากมาจากอะไรควรรักษาตัวเราแลี่ยนในเวลานี้อย่างตาเราเนี่น่ะอืมอย่างหูเรานี่น่ะอย่างแขนแนั่นเนี่ย ควรจะรักษาแล้วนี่ย่างอย่างแขนเนี่ยเขาจะมาเสื้อเราสัหลายหมื่นขายไงเขาไม่ตัดแต่เขาได้ไห ม, มนี่ของตัวเรานี่อริยว้านี่ไอ้ลู ก, กตาเราเนี่ยใครมาควักออกลูกหนึ่งหลายหมื่นเอาไหมเนี่ยอืมันเป็นปยังไงมันมีคุณค่าอย่างไรที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์พเดชโพคะคือสินอันนี้อันนี้เราไม่คิดอย่างนั้น โภคะอันเกิดจากสินคือภายในมันเป็นอย่างนี้คนเราไม่มองเห็นว่าเป็นโพคะอวันนี้ประมการฉันนั้นให้ญาติโยมทางหลายจงช่วยกันพิจารณาแต่ว่าที่มานั่งอยู่ในกลุ่มนี้บางทีมันกึ่งคนแล้วก็มีนะค่อนคนแล้วก็มีนะเนี่ยไอ้วันคืนร่วงไปร่วงไปคือวันคืนนะมันไม่หยุดแล้วนี่มันร่วงไปร่วงไปอยู่เรื่อยเรืยรื ถามเจ้าของน่วยว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างเราทําอะไรกันอยู่เราอยู่ในความประมาทหรือเปล่าคืออยู่ในความเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรไอ้คนคิดคนปนริจารณาอย่างนี้ี่ถ้าเราเห็นเราช่วยแก้ไขเจ้าของเองอย่าไปแก้ไขคนอื่นใหม้มากแก้ไขตัวเราเองเสีก่อนถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไม่ได้ไปแก้ไขคนอื่นมันก็แก้ไม่ได้ ถ้าเราแก้ไขตัวเราเองไปแก้ไขคนอื่นเขาไม่แก้ตามก็ช่างเขาตัวเราเป็นปกติอยู่แล้วไม่มีคํามเสียหายอะไรนี่พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนี้ฉะนั้นศีลนี้ท่านยิงเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ศีลเป็นพ่อแม่ของธรรมทัท้งหลายทั้งปวงอย่างลมหายใจมันเป็นพ่อแม่ของอวัยวะทางร่างกายถ้าหมดลมหายใจเราจะเป็นไปไห ม, มันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ะ เี็นนี่กูมันการจนมีมัสมีผลมีพระนิพพานถึงที่สุดก็คงมีศีลจะก่อนยังเนี่ยีเยนนะสุขจริงยันติศีหรนโพกตัมปทาศีเรนนี่พูทธจริงยันติสัมสมะศีเรนิโสตะเยพระพุตตะเจ้าท่านเพ่งชวนเนีพุทธบริษัททางไหนจะมาทานจึงศีลให้มีเหมือนกับคนเราทางหลายเกิดมานั่งนี่เกิดมาจากพ่อแม่เกิดมาจากพ่อจากแม่ ธรมะความคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดมาก็เกิดมาจากศีลที่เราพูดกันอยู่เรื่อยๆเน่ยทุกวันพระเราพูดกันในเรื่องศีลศีลทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะคลอดบุตรคือคุณงามความดีออกมาจากที่นั้นอืมแต่คนก็ไม่ค่อยจะไว้ใจถ้าคนไปประพฤติปฏิบัติเห็นเองรู้เองเห็นเอ ง, เเองแล้วนั้นแหละให้เข้าในใจอันนั้นน่ยเป็นบุญอันเด้อเป็นบุญอันประเสริฐแสนอนจะมาจะดีใจด้วยเตือนทรายดุสิต อุบาอสอวชิกาธาตุปัจจในธรรมะอย่างนั้นเห็นว่าเกิดมานเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่เสียทีอะไรทะมันด้กันหมดถึงนั้นน่อเดียวนี้มันด้กันแต่ไม่มันไม่ทำกันจะทำยังไง อ, อันนี้ให้ประการเข้าใจในในในปีนี้ปีนี้ก็จะมีครั้งเดียวท่านี้แหละปีต่อไปนั่นพอให้มารวมกันเทนี้ สงน้ามกันที่นี่อย่างเก่าแต่ไม่แน่นะคนมานี่ในกลุ่มใหญ่ปีหน้าจะมีกฎตรงการเด่นเล่นกฎตรงการ ก, กันเขาอีกก็ยังไม่แน่นอนนะไม่มีหวังทั้งหมดนะพูดง่ายๆนะบางคนกอาจจะไม่ได้รถน้ำกับเขาก็มีนะเพราะอะไรมันล่วงไปล่วงไปทุกวันนี้เขาตามค้าอยู่หไหมล่ะตามข่าอยู่ มี ม, มีมีโยงก็เคยมาถามแล้ว่าน้องพ่อไม่กลัวคอมมอนนิสต์หรอไอคอมมอนนิสต์กลัวมันทําไมไอไอไอคอมมอนนิสต์มันตามฆ่าตั้งแต่เมื่อวันเราเกิดมานเลยคอมมอนนิสต์ น, นี่มันมีลัวแล้วมันมีตัวในตัวของเรานี่มันเยอะแยะไปหรอกนะเราอย่ไปคิดไอมันห่างไกลอย่างนั้นดีไอฉะนั้นขอพวกเราสังหลายพุทธบริษัทนั้นให้ปีตัวออกพยายาม พยายามสร้างคุณงามความดีถ้ายังไม่มีก็ทําให้มันมีถ้ามีน้อยทําให้มันมากถ้ามีมากทําให้มันมากเ ก, น ก, นกินไปจนกว่ามันจะพ้นจากวรรดาสงสารนั่นเองทีนั้นบรรดาสาธุชนทั้งหลายวันนี้ด้วยอํานาจของคนภาษีรันาตนตรัยจงปกปัก ร, รักษาคุ้มครองของพวกท่านทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมนี้จงมีความอยู่เย็นเป็นสุขให้มีอายุมั่นขยืน ประพฤติถ้าทรรมีในต่อไปลับทุกข์ซึ่งที่มันเกิดมาในใจนั้นให้บรรเทาทุกข์ให้ถึงสุขถึงความสงบทุกทุกคนอย่ามีความประมาทแต่นั้นวันนี้ก็วันเวลาก็พอสมควรฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงพระกันตั้งอกตั้งใจทุกทุกคนพากันประพฤติปฏิบัติเช่นว่า จ, จิตวัดอันใดที่ในวัดน้องพงเราทํามาแล้วก็ให้ประกันตั้งหกตั้งใจทําต่อไปให้เป็นเยี่ยงอย่างของคุณบุตุลาลานที่ดีทุกๆคนอืมจึงจะเป็นมงคลฉะนั้นวันนี้จึงเลยขออืมเลิกกันบรรยายทำให้โอวาตตกับพุทธบริษัทต่างหลายในวันนี้ฉะนั้นขอความปารถนาของท่านทุกๆคน จงในดังความมุม่งมั่นปารธนาทุกๆประการเพอินุทธัตถะนักโมตัตถะสัตวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัตถะพุทธังธรรมังสังหังนามสจามิอิโตุปารังสัตยังธรรมโมโตตับโหติ ต่อแต่นี้ไปจงประกันตั้งใจฟังได้ประตังยูนในความสงบเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะได้อบรมธรรมะซึ่งทางรัชการเช่นผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีได้เขียนหนังสือมาเรียนว่า วันนี้ ม, มีพกอาสาหมู่บ้านจะมาอบรมที่วัดสงฆ์พงค์และงั้นท่านจะให้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ดยการแนะนำคำสอนผู้ประทานเท่าที่ควรดังนั้นและก็นอกกันไปก็ยังมีประชาชนมาสมทบเป็นพิเศษมั่งก็มีอันใดก็ตา ม, มเป็นต้น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 ตาผู้ที่จะมาเป็นผู้อาสาใน ห, หมู่บ้านทั้งหลายนี้ก็มีหมายความว่าเราจะต้องมีธรรมะตั้งอยู่ในใจของเราเช่นมีพรหมวมิหารหรือเป็นวิหารธรรมมีเมตตามีการาุณามีมุสิตามีอเบคา เป็นพื้นฐานตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้สึกของเราทุกคนนี่คือธรรมะคือให้มีความเมตตากรุณาปรานีทุกคนหน้าเสมอไปทั้งทั้งที่ว่าเราซึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่ญาติเร า, มเราไม่ใช่น้องๆเราม่ใช่ไอความเป็นมาของ ชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นลูกเป็นหลานกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนอื่นถึงแม้ว่าจะไปอยู่คนบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็จริงอแต่ว่ามันก็เหมือนมเมล็ดข้าวมเมล็ดนีดซึ่งมันเกิดขึ้นในรวงอันหนึ่งในต้นอันหนึ่งในกออันหนึ่งของข้าวนั่นเองนี่มันมากขึ้นมากมันก็กระจายกันออกไป มเมล็ดหนึ่งก็มีต้นต้นหนึ่งก็มีหลายหลวงมีหลายมเมล็ดมันก็ต่าง ก, กันไปแปลกันไปว่าเป็นต้นข้าวคนละต้นละต้นแต่มันก็เป็นคนละต้นมันก็เป็นต้นข้าวต้นเดียวนั่นเองซึ่งมันขยายแพร่พืชออกจากในคออันเดียวกันในต้นอันเดียวกันฉะนั้นพวกเรานี้ก็คนลนกันฉะนั้นเดิมทีก็เกิดเป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันนั่นเอง ถ้ามันขยายไปขยายไปต่างคนก็่างไปแต่พอมันไม่แน่นอนสรวกที่ไหนก็ไปที่นั่นใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยเป็นเหตุให้พวกเราสัญลายกระจายกันไปทั่วทิศตานทิศเมื่อกระจายห่างๆกันไปเรื่อยตัวกันใช่อืมเป็นต้นเห็นหน้าคนหนึ่งก็ว่าไม่ใช่ใญาติของเราแล้วเห็นหน้าคนหนึ่งบ้านหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแล้วอย่างนี้เป็นต้น ไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นญาติเกิดมันก็เป็นญาติแก่มันก็เป็นญาติเจ็บ ม, มันก็เป็นญาติตายถึงนั้นดังนั้นพระบรมครูเราท่านจึงให้มีธรรมะเอาจิตใจเข้าสู่ธรรมะเอาธรรมะตั้งอยู่นรากฐานของพื้นจิตใจของเราทั้งหลายคือให้ช่วยกันให้ช่วยกันทุกๆกคน ใมันเป็นทุกข์อะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วยอเป็นต้นอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันในพื้นปัจจุบันนี้ก็คือพ่อของเราแม่ของเราญาติคนน้องลูกหลานของเราด้วยกันทั่นนั้นแต่เมื่อกระจะัดกระจายไปหลายปีหลายเดือนเป็นต้นก็หลงกันเกิดเป็นคนคนอื่น ลบกันตีกันแทงกันวุ่นวายกันสารพัดอย่างตามภาษาศาตร์ที่มันหลงนั่นเองไอความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนกอเดียวกันไม่ใช่อื่นืดเป็นต้นทีนี้มื่มีความเห็นเช่นนั้นความเข้าใจผิ่เป็นเหตุมันก็เกิดบรบลาท้าฟันกันหลงไปหลงฆ่ากันหลงแย่งกันหลงรบกัน ฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันเพราะความหลงตรงนั้นความเป็นจริงมันก็ญาติพี่น้องกันทุกข์ุกข์นนิจฉะนั้นโดยส่วนมากก็ผู้ปกครองประเทศชาดก็อยากให้จะประเทศชาตดลื่นเป็นไปเช่นผู้เป็นประธานในเมือนไทยเช่นในหลวงประจินมีเป็นต้นก็มีความต้องการอยากจะให้พวกคุณบุตรคุณระจีลาทั้งหลาย รู้จักกันโดยสัญชาติว่ามันเป็นญาติกันหรือเป็นคนคนเดียวกันเป็นต้นฉะนั้นสิ่งต่างชับทั้งหลายทั้งปวงนี่ขยายบทบาทอะไรต่างๆที่จะให้ความสะดวกแก่บ้านเราขึ้นมักรุมผู้ที่อาสาชาวบ้านทั้งหลายนี่ต่างชินก็ต่างอยู่ต่างจากอำเภอกันหยิบเอาอำเภอนั้นว่างอำเภอนี้ว่างมาร่วมกันศึกษา ใครยังไม่รู้อันใดก็ศึกษาอันนั้นให้เข้าใจเพื่อจะไปสนองบุญคุณของพ่อแม่ที่นองเราทั้งหลายให้ประสนอยู่เย็นเป็นสุขนี่เป็นต้นดังนั้นผู้ที่เราเข้าไปอาสาชาวบ้านทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้มีธรรมะธรรมะคือความเมตตาเข้าไปในบ้านนี้มองเห็นคนแก่ๆแล้วนี่นะดีเหนื่อเราเนาะ คุณชายเฉยๆเงินอยู่พอๆเรานะอืมเป็นต้นอายุสวงบ็มนนีที่เรานะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้น้องเราโลกเราร้านเราทั้งนั้นให้ทําความเห็นอย่างนี้ทุกคนเลยพยายามการช่วยความทุกข์ยากเป็นต้นก็ให้วทำเสมอกันมเมตตาคือความรักเมตตาคือความรักมันมีสองอย่าง อย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะเจ้าจงอย่างหนึงมันรักโดยเฉพาะทั่วถึงกันอย่างหนึ่งมันก็รักตัวของเรารักลูกของเรารักหลานของเรารักตระกูลของเราตระกูลอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างไม่สนใจเป็นต้นอันนี้ก็รักบนกันรักในตระกูลของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่ามันแคบเกินไปมันแคบความคิดแค น, นี้มันแคบก็เป็นเมตตาเมันกัน แต่เป็นเมตตาในสมวิหารพระพุทธเจ้าต้องการอยากให้เป็นเมตตาอภัยวัญญาอภัยวัญญาณโดยทั่วถึงกันใครจะมาจากคิดไหนก็ตามเถอะจะเป็นยังไงมาก็ตามเถอะเรามีความเห็นพอใจเหมือนๆกันคนที่ห่างแล้วคนที่อยู่ใกล้ ก, ลกันก็เหมือนๆกันดังนั้นมีความรักถึงอกันให้ความเห็นเสมอกันให้ความสุขเสมอกันตามมีตามได้อย่างนี้ อันนี้มันเรียกว่าความสงบเดยโูดถึงเป็นอปปัญญาธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในจิตจัตติผานของาะพวกเราทั้งหลายผู้รักษาชาวบ้านพอมนุษย์เราทั้งหลายนั้นถึงเมื่อจะเป็นอะไรก็ตามทีเถอดที่มาเกิดมาร่วมกันแล้วคนบุนเป็นทุกข์เราเป็นสุขราก็เป็นสุขไปไม่ได้อย่างคนนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่มีข้าวกินเนเรากินคนเดียว เอาสิยู่ด้วยเลยแล้วก็กมาแบ่งเท่านั้นต้อง <ừ, ừ, S 1> มาแบ่งมาพ่นเอาเท่านั้นเนี่ยนี่มันสกคนเดียวไม่ได้หรอกแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่ามันกัดก็เอาหินเห็นไหมโยนเ ข, ข้าให้ตัวนักกินสิโยนต้อนโต๊ะให้ตัวหนึ่งกีตัวนึงจะให้มันสีเลี้ย ง, งก็วิ่งมากัดกันเท่า น, นั้นแหละแย่งเาะอะไรนะเาะมันไม่กินข้าวมันจะได้ส่วนแบ่งนะนี่นะ ใช้ได้ส่วนแบงไอ้ตัวนั่นต้อนหนตัวนี้ก้อนหนึ่งก็ต่างคนต่างกินมันก็ไม่ทะรลาะกันทำไมเนี่ยไอ้คนเรากสมควรกันสัญชาติยานมันสมควนกันถึงเลยไอ้คนหนึ่งกินสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นต้นโจนไอ้คนที่มันจนมันก็ไม่ได้กินไม่ได้รับส่วนแบงมันก็ไม่กินไม่ได้กินมันก็มองหน้าคนที่มีข้าวกินมองไปมองมาก็ไึกอยากจะกินข้าวเหมือนกัน อย่างนี้มันความอยากเกิดขึ้นมาเดีย ม, มัยนจะมาแย่งวราจากนั้นเนีลยเกิดเป็นที่ขโมยเป็นน่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไอ้คนเราไม่กระชอบจะเป็นอย่างนี้ออันนี้เราเป็นผู้รักษาชาวบ้านให้ชาวบ้านของเราเจริญเข้าไปไม่กลุ่มไหนให้เขายกมือไหวนน้นั่นไอ้ผู้แต่นที่อาสาชาวบ้านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นอืเข้าที่ไหนก็เย็นเย็นเป็นฉุก ถึงแม้ไม่มียาไม่มีอาหารให้พูดถึงคุณยาเป็นไงคะคุณตาเป็นไงสบายดีเลยเ อ, อย่างนี้มันก็สบายเลยล่ะสบายด้วยเรียกความดีใจพูดที่มีคุณธรรมมันก็สบายใจ อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเห็นพวกเราเข้าไปก็เป็นลมโผล่มใสย่ยังไม่ได้วางยาไม่ให้อะไรเลยพูดเท่านั้นเหลยเขาจะ ด้วยความเข้าใจนั่นได้ยินเสียงทยายเลาะไปนอสูใจมันสดสบายอืพวกหมู่บ้านรักษาชาวบ้านทรรมนัายคือให้ไปปลูกใจไปปลูกใจว่าพวกเราให้เป็นอันเดียวกันพวกเราทําเป็นตัวอย่างของเด็กๆ เ, เป็นตัวอย่างของเด็กน้อยเป็นต้นอืโอบรมให้ชาวบ้านรักษาบ้าน อบรมให้ชาวบ้านรักษาตัวเองอบรมให้ชาวบ้านมีความสามัคคีซิ่งกันในกันให้จักแบ่งสรรปันส่วนกันพอสมควรใครๆก็คิดอย่างนี้ใครๆก็พยายามอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเมืองเรามันก็จะเดิญสึ่งเท่านั้นไอ้ที่บ้านเมืองแล้วมัเจรเินตรกวันนี่เพราะอะไระเพราะอะไรเพราะคนมีเมตตาในหัวถึง อัตอมาเคยไปพบคนแก่ๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีเด็กที่ทางบ่านมันดื้อเนี่ยมันไปปล้นที่นั้นเดี๋ยวมันมาปล้นที่นี่ น, น, นานๆมันก็มาทํำให้บ้านเราคนแก่ๆทั้งหลายนึงเอาคนหนุ่มๆมารวมกันสอนลูกหลานก็เอ้ยชูพวกเด็กพวกหนุ่มทั้งหลายนั่นนะ่ะถ้าชูจะไปปล้นจะไปขโมยก็ไปปล้นโน้บ้านอื่นหนึ่งไกลๆบ้านเราเนอะ ไปอเภอเดชอุมหนไปพ่บูลน่ยัามา พ, นมพา่นอำเภอารินเ้วเลยมีคนแก่สอนลูกหลานอยไป พ, น พ, พ, ไป พ, น พ, พ่นอำเภอพิบูลี่าไปพ่นอำเภอเดชดิอำเภอบารินยังมาพ่นเลยมันบ้านเราไอ้คนแก่นี่ก็สาคัญเดเินนะตัวนึกว่าคนแก่มันมีปัญญานะเหอไปพ่นบ้านอืน่นบ้านเรายังมาพ่นเลยนี่ไอ้คนแก่ไปเห็นแก่ตัวเส้นทีเลยนะถ้าว่า เราพา ก, กันอยู่อำเภอพีบูรณ์นะเด็กๆข้างบ้านมันลือ้อเราจะบอกคนว่าเออไปพป้นอำเภอปารินน์มันดีกว่าอย่ามาพป้นอำเภอเราเลยเราจะเป็นยังไงกันแหละมันจะรีมั้ยเด็กๆข้างๆบ้านอำเภอเดชอุดมนะมันทําความพูดวายให้ชาวบ้านแล้วก็จะพูดเขาว่ า, าเออโน่นๆทั้งหลายนั่นเน่ะอย่ามาพูดวายในบ้านกันเลยพน่นไปอำเภอปารินน์มันดีกว่าอันนี้มันบ้านของเราอย่ามาทําเลย ถ้าทำในนี้มันจะดีไหมนี่คนแก่นั่นนึกว่ามีปัญญาอความเป็นจริงมีปัญญาอมีปัญญาทำแล้วก็มีปัญญาท้องกันเจีิญปัญญาตามอปัญญาที่มันใช่ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมอย่างนี้เรียวกว่าเมตตาเขาเมตตาเจ้าจงทั้งหลายด่านีน้พวกเราทั้งหลายนี่คนป้องกันฉันนี้ไอ้คนที่เกิดก่อนก็เท่าไปก่อนแก่ไปก่อนเรียก็ตายไปก่อนกับเรา ถ้าหมดภาระแล้วนะพวกเราเองสิหนุ่สนมสาวเนี่ยจะทําทยัางไง <Okay. S 1> เราจะเป็นคนที่ปกครองบ้านเมืองต่อไปจะรักษาประชาชนต่อไปให้มีสันติสุขในบ้านในเมื อ, องเพราเราทุกขัวหน้ากันจะเป็นภาระของเราถ้าเราทําไม่ดีจะเป็นยังไงไอความไม่ดีมันจะไปรหนาเนี่มันตกตับมาอยู่กับเรานั้วเนี่ยเราไม่ดูจากภาษสาร เราไมมีปัญญาเป็นต้นแต่ความโง่ก็บินมาถึงเราไม่ถึงเราก็ถึงลูกเราไม่ถึงลูกก็ถึงหลานเราถึงเพื่อนเราถึงบ้านเราเลยเป็นต้นอย่าคิดอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจ ะ, จะมีเมตตาทุกทุกคนตัววันนี้อยู่ในความเมตตาี่ไอ้ความมันที่จะบุบวายเกิดขึ้นมาทุกเวลานี้เพราะธรรมะไม่มีในใจของคนคนเราถ้ามไม่มีธรรมะก็เหมือนการตัด สัตว์มไม่มีธรรมะนะเธอเห็นตัวนัขไหมเอาข้าวก้อนหนึงให้โยนไปตัวนั้นกินตัวนี้ไม่กินเห็นว่วิ่งไปเลยกระโดดจัดเลยทิ้งเอาก้อนข้าไปกินกเปล่าๆนยไอ้ตัวนั้นก็ล้องแงงแงงแงงไปเรื่อยๆไปเนี่ยนี่มนุษย์เราคือมันตันแค่ น, นั้นถ้าไม่มีธรรมะมีความอิจฉามีความพยาบาทกันมันก็อยู่อย่างสัตว์กันเอง ถ้าเรามีธรรมะบ้านเมืองเรามันก็เสื่อเสื่ร้อนลูกเราเกิดมามันจะสอนยากเรามีลูกมันจะสอนยากเรามีหลานมันก็จะสอนยากอืเรามีใครเรามีเรามีสามีมีครอบครัวเราก็สอนยากพูดไปฟังกัน น, นี่นี่เพราะอะไรเพราะมันีธรรมะแต่คนผู้สิดุลัยกังธรรมะมันกินได้เดียน่ ะ, นะ ไปวัดไปเหรอได้อะไรมาเนี่ยนะะไรธรรมะที่ไหนมาเอาธรรมะไปกินได้ไหมไอ้ความเป็นจริงที่มันไม่ด้กินธรรมะมันจึงการเสียดร้อนถ้าเคยกินธรรมะได้มาเพื่อเป็นธรรมพูดมาแอบไปเพื่อเป็นธรรมอะไรอะไรได้มาด้วยธรรมะได้มาด้วยความซื่อสัตจจเด็ดอันนั้นอันนั้นสบายตจำนั่นที่ทําถูกต้องดีแล้วภายหลังก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายที่เดี๋ยวเรากินธรรมะกัน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 นักเรียนก็ทําทตามนาทีของนักเรียนมันถูกต้องพวกเราก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นผู้อาสาหมู่บ้านได้มีข้อกฎระเบียบเป็นอย่างไรอืมอันนั้นก็ให้ค่อยๆําเ อ, องถึงว่าเราต้องทางานตามนาทีของเราว่ามันจะดีว่ามันจะชั่วอะไรก็ช่างมันตะทำอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้อืมท่านไม่พูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ทําป็นตรงไปตรงมา ตามหน้าที่ของเราแต่นั้นอย่างนั้นถ้าพวกเราไม่สามัคคีกันก่ออิทธากันก็พยาบาทกันทะเลาะกันให้เด็กๆมันเห็นแล้วก็ไปสอนเด็กๆกันในความสามัคคีกันตัวพวกเราก็สามัคคีกัน ไ, ได้สอนเด็กจะมาขยานันแต่ตัวเรามาเกียดที่เกียรติค้านเด็กมันจะอะไรไหม น, นี่เรามันเป็นครูคนเราเป็นครูคนจะต้องสอนตนให้มันเป็นครูคน เป็นครูคนจิตใจใมันสูงกว่านักเรียนตักศึกษาทั้งหลายเป็นต้นเหมือนกับพ่อแม่คนนั่นแหละเราเป็นพ่อเป็นแม่คนจิตใจก็ให้สูงกว่าเด็กๆคือลูกหลานของเราอย่างนั้นจึงปกครองลูกหลานของเราได้เขาจึงกลัวแล้วเขาจึงมีอํานาจพูดตรงไปตรงมามีวาทะอันอ่อนหวานเป็นต้นมีวาทะอันตรศิลมีความรู้สึกมึกคิด เนือ้อมนุษทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีธรรมะประจำใจอยู่เสมออันนี้เป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะพิจรารณาที่อาสาโมว้านบางทีก็จะไปบ้านโน้นบางทีก็จะไปบ้านานี่สารพัดบ้านเด็กจะต้องไปไต่ตันก็อย่าทนใจถือเลยไปถึงบ้านที่เราไม่รู้ภาษาของเขาไม่รู้สมมุติของเขาไม่รู้วัน ญ, ญัิของเขา เราจะไปถือตัวในที่นั้นอันนี้ถ้าเราไปถือตัวอันที่นั้นจะ ม, ม่จากภาษากันต้ อ, ต อ, กองก็ําบากสมันท่านอาจารย์มั่นโูริทัศน์โตก่อนท่านเป็นพระตรรมท า, านไปปฏิบัตินโน้นภูเขาทางตะเรียงนั้นอ่ะออกโซ่ท่านก็ไปนั่งอยู่เขาก็เดินมามาถามท่านวา่เออมื่มาที่ไหนเออผมมาที่โน้น มึงกินเข่าแล้วบ่กเออกูกินแล้วละเขาดีกว่ามึงมึงกูกูมันดีที่สุดแล้วเราไม่รู้เรื่องกูกูสิเขาถามมึงมาจะใสเลยมันอยากจะพูดแล้วคอแข็งท่านอาจารย์มั่นท่านเขาถามมึงมาจะใสเออกูมาสโน ม, มึงกินเข่าแล้วบ่กกูกินแล้วโดยสบายไปเลยนะนี่เราท่านรู้จักคน เราไม่รู้จากตนภาษาเขาถือว่ามึงมึงปูปูมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยได้ยินเป็นต้นเราก็ไม่ฉลาดในคำพูดอันนั้นก็โกรธในเขาเสียดในเขเมีประโยชน์เปล่าๆดังนี้เป็นต้นดังนี้เราเป็นผู้รักษาโมูบ้านก็เรียกว่าโมู่บ้านนั้นในอาศัยเราทางความรู้สึกนึกคิดอะรทุกประการนั้นเป็นต้นนั่นขอฟ้ตุนระบุตลูกหลานทั้งหลายขึ่งถูกไอ้ให้เป็นเจ้าหน้าที่ เอเร่อง น, นี้เป็นต้นตามทางการขอจงประกันประพฤติปฏิบัติด้วยนําใส่ใจจริงอืปรอบจิตใจผู้ใหญ่ได้เด็กๆทั้งหลายเป็นต้นให้เข้ามาสู่ในศีลธรรมด้วยกันเช่นนั้นทุกวันนี้มันเสียจะและ้วเสียไปสักครึ่งนึ่งเสียไปจนัวดที่ว่าเราจริงพำการรู้สึกเป็นบางแห่งจะแล้ว่ามันเดือดร้อนเพราะอะไรเนี่ยคือศีลธรรมนั่น มันค่อยๆเสื่อมไปจากคนุษย์ทางหลายแล้วก็ไม่รู้กันยิ่งสนุกสนานกันอยู่เรื่อยๆอย่างต้นสมัยนี้มันเสื่อมไปทุกทีทุกทีเมื่อมันเสื่อมเข้าไปแล้เข้าไปเพนนิ่มเดือนร้อนเกิดขึ้นมาโบวยวายขึ้นทีหลังแก้ไขไม่ค่อยได้ทานคนนี้เป็นยังไงคนโน้นรุ่นวายยังดีเฉพาะเว่าบุคคลที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่สเสมอว่าอันนั้นมันผิดอันนั้นมันไม่ผิดดีก็ไม่ทําด้วยทําก็ทํำด้วยเล็กน้อยอะไรทงหลายงๆ เป็นต้นไม่เห็นมากแต่เขาเน่เพราะว่าเราจะเป็นผู้อบรมชาวบ้านทั้งหลายก็ดีอยู่ในนอกก็ดีอยู่ข้างในก็ดีมีข้อประพฤติธปฏธิบัติให้ดีได้เหมือนกันถึงแม่ว่ายังหนุ่มๆก็ปฏิบัติได้อย่าพึ่งไปทิ้งไอ้คนแก่เลยโดยมากไอ้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีหนุ่ ม, ม, มๆสาวๆไปพูดมากแกซะก่อนที่จะเข้าวัดกัน แดีวนี้ยัเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยมันแกะซะก่อนแต่ที่ไหนคนแก่ทั้งนั้นแหะไม่รู้ว่าคนแก่มันดีที่ตรงไหนเห็นไหมบ้านเรามีคนแก่ๆไห ม, มเดินแข่งกับเราทันแล้วไหมสู้เราได้ไหมคนแก่ฟันดุดแต่ไม่ดีโอก็ไม่ได้ยินตาไม่สว่างแล้วลุกขึ้นก็นโอยนั่งลงก็โอยเมื่อเราเป็นหนุ่มๆก็แกะซะก่อนเถอะนึกว่าแก่มันจะมีกําลังมากมากมานะเนอืม นี่เราจะไปคิดแค่ น, นั้นที่ไอความดีความชั่วทั้งหลายเรามีพิจิตอยู่เราก็ต้องทำสิอะไรความชั่วเราไม่ทามันขึ้นนะอนดีตอดีมีความดีแล้วพยายามสานั้นไม่ใช่จะไปทําอะไรในคนตรงนี้มันทาได้เลยอันเราไปทิ้งไอคนแก่จะเห็นคนแก่ไหมคนคนแก่พวกบ้านเราเป็นไงือลูกขึ้นทโโีโอ้ยนั่งบนที่โอ้ยไม่รู้ว่าเป็นไง ขนาดนั้นเรายังดับโผดับตาว่าให้มันแก่ซะก่อนจึงจะเขาวัดนั่นมันก็เห็นกันเหดือนเนี่ยนั่งก็ไม่ทนฟังก็ไม่ถนัดพูดวายยังให้มันแก่สิเราต้องทําของเราไปเรื่อยๆแก่นั่นมันก็หนุ่มถ้าก่อนมันถึงแก่เห็นไหมไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วมันหนุ่มนะมันหนุ่มแล้วมันก็แก่นะแต่ความจริงๆมันแก่มาแต่โน้นในพวกเราเรารู้จึตรู้สึกว่าเราหนุ่มอืม เรามันแก่มาเกิดวันนั้นมันก็แกแ่มาวันนั้นแต่ก่อนมันอยู่ในท้องของแม่เห็นไหมมันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมามันแก่ขึ้นนะแล้วก็ออกมาแล้วก็คลอดออกมามันแก่ถ้ามันไม่แก่มันไม่ออกมาหรอกมันอยู่ในท้องนั่นแหละมันออกมาเรื่องการโตขึ้นมาติดน้อยแต่น้อยมันแก่ถ้าไม่แก่มันไม่โตถึงขนาดนี้แล้วอะไรนะถ้าถึงบันนี้รู้พวะวิญญาณสาเหล่านี้เป็นต้นก็เดียกว่ามันแก่มาแล้ว แต่เรายังไงก็ เ, เห็นว่าเราแก่แก่ไม่รู้สึกตัวถ้าไม่แก่มันไม่โตขนาดนี้หรอกให้เข้าใจเราบาดนี้เราแก่แล้วจะต้องมีหลักธรรมะประพฤตปฏิบัติดีไอตอนที่สุดท้ายมานานๆไปไคุงามความดีได้ดสร้างคุณคุณงามความดีไว้ในเฉพาะตั้งแต่วันนี้ห น, น, นุ่มมีไปภายหลังมันก็สบายทํารําดีไว้ภายหลังไม่เดือดร้ดอนกํามนั้นมันก็ดี ทำตมอะไรที่ไม่ดีภายหลังกับมันเ ด, ดือดอนตํำนั่นก็ไม่ดีแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะคูอ่อะไรผันไหมล่ะอย่างนี้เลยเป็นต้นเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กอย่างนี้ควรพิจรารณาให้มันดอกครอบเรื่องทิ้นทามที่เป็นเรื่องสําคัญเรื่องทิ้นทามเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นคนจนก็ปฏิบัติได้คนรวยปฏิบัติได้ใครก็ปฏิบัติได้ในทางเส่มันดีนะนี่ฉะนั้นความดีนี่แหละ เป็นกะระดกสันหลังของมนุษย์ทั้งหลายชีวิตตั้งในบนฐานของความดีนั่นร่ำเริ่อประเสริฐมากมนุษย์เรามีความดนะีมันเหลืออยู่อื่นไม่เหลือเอืมไอความดีนั่นเน่ยแม้ว่าเราตายไปไอความดีก็ยังตั้งอยู่ในโลกเห็นไหมนี่เป็นต้นไอความดีนี่มันยังอยู่ไอความดีนีนะ่มันไม่ตาย เมื่อเห็นลูกเมื่อเห็นอะไรเราเป็นต้นนึกถึงความดีและความสบาย ย, ยังเป็นร่มโพล่มใจตลอดกาลนานะฉะนั้นพวกเราทางหลายซึ่งเป็นคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งทางการได้จัดให้เป็นคนพิเศษอันหนึ่งคิดดูว่าอาส า, าหมู่บ้านรักษาหมู่บ้านให้หมู่บ้านทางหลายเราได้อาศัยเมื่อเกิดความเดือดร้อนบุ่นบายมาวิ่งไปหาแก้ไขในสมควรเป็นตน้นให้สงบระงับให้มีความอยู่เยน็นเป็นสุขนับว่า เป็นร่มโพร่มไทรให้ชาวมนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดกานพอสมควรดัะนั้นความดีนี่เนี่ยเมื่อเราจะตายไปแล้วเป็นต้นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนองค์สวมบิดปะตมาสำเพ็งเจ้าของเราเนี่ยท่านนี้พ่านตอแล้วความดีของท่านก็ยังอยู่นี่ในความดีมันยังอยู่อย่างนี้มันเหลืออยู่ไอความดีมันเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับเราบริโภคข้าววันนี้เนี่ยบริโภคไปหมดแล้วแต่ความอิ่มยังเหลืออยู่นะ มันยังมีอยู่แต่ข้าวมันหมดแล้วแต่ความดีมันยังเหลืออยู่เนี่ยเราสมัครปันฉันนั้นเมื่อเลิกจากโลกนี้ไปแล้วความดีเราเหลืออยู่เป็นต้นเพื่อให้อาศัยคุณตบุตรลูกหลานเราเดิมต่อไปถึงนั้นอืม น, นฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเวลาอันที่จะบรรยายธรรมะมาให้ฟังพอสมควรต่างคนต่างสรพต่างคนต่างสรวะใครมีหน้าที่อะไรทําอะไรก็ทําตามหน้าที่อันนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรจากนั้น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 ยิ่งเกิดปัญญาอันดียิ่งเกิดผลมากอย่างนั้นการกระทําเช่นนี้เดี๋จะเป็นสุปฏิปโนือนตันเป็นผู้ปฏิบัตินี้ในความดีนี่แหละเป็นต้นเป็นศากดิีของศักดิ์ศรีของขวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในมนุษย์นี้ในมวลมนุษย์นี้ดังนั้นของจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ตามที่ความต้องการของทางราชกามให้เราเป็นผู้อ า, อาสาหมู่บ้านอันนี้ให้สงความมุ่งหวังของเจ้านายของเจ้าหน้าที่ทุกรวมเป็นต้นบัดนี้เมื่ อ, อ, อท่านทางไดนได้โอกาสมารับฟังธรรมะก็จะเอาธรรมะอันนี้ไปปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่ฟังเทศอบุญวันนี้ ฟังเทศนเกิดความรู้สึกรู้สึกให้มันรู้จากบาปให้มันรูจักบุญให้มันรู้จากผิดให้มันรู้จากโูกให้มันรู้จากดีให้มันรู้จากชั่วรู้จักคุณค่าของธรรมะเป็นต้นจึงไปปฏิบัติได้ในสมัยโบราณเราพอฟังเทศครบเลยประนุกภาพมือไหว้ยกเลยพระประเทศไปคุยไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องพระเทศจะเป็นเรื่อง ผลที่สุดพระโยมฤาษีอาถุนั่นอย่งว่าฟังเทศอาวุนไม่ฟังเทศให้มีความเข้าใจอาวุนอย่างนั้นบัดนี้เราฟังเทศให้เข้าใจให้เกิดปัญญาเมื่อสะใจเอาไปทีจิจนาประพฤติปฏิบัติให้มันจึิงใจเป็นงานขึ้นไปที่อภัยยายนี้ให้เป็นโอปะไรยกธรรมพกเจอทั้งหลายเียร์น้อมเอาไปทีนิดจิจนาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนขตนทุกตคน ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรษษัตนใจจงปลกปักราาักษาคุ้มองฟอกท่านทั้งหลายที่น้อมจิตใจมาฟังโอวาทธรรมคำสอนในวัดสงกระพงวันนี้จงให้มีความสุขตายสบายใจตลอดกาลนานเพือน